จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนําสุขมาให้จิตที่ฝึกฝน แต่คนไม่ชอบคนไม่ชอบงั้นภาวิ่งภาว้อนภาปรุงภานั่นไม่ค่อยชอบ เป็นอย่างงั้นน่ะกระโดดโลดโผนอย่างงั้นคนเราก็เลยเข้าใจ มันได้ดวลโนทโธนจิตที่ควบคุมได้แล้วนั้นมันเป็นจิตนั้น จิตที่ไม่หยุดไม่นิ่ง นะจิตที่เป็นกลางและเป็นอุเปกขาไม่มีเลยความเฉยๆคือคงอุเปกขาไม่มีความมัน เคยเข้าใจว่านั่นเป็นความสุขสบายเราทํายังไงจึงจะ ฝึกหัดจิตตรงนี้แหละให้เข้าไม่พอไม่ยินดีพอใจ เป็นไหนเป็นไดมาหาความสุขได้ยากมนุษย์ชาวโลก เพียงว่ามนุษย์ชาวโลกยินดีพอใจในวิสัยของของ สิ่งไหนนั้นหาสิ่งนั้นไม่ใช่เข้าใจว่า ยินดีในสิ่งของวัตถุต่างๆเงินทองก็ของสมบัติ ให้อัตตาที่ตนตัวยึดมั่นถือมั่น หัดพากจากของรักชอบๆอาจารย์แท้ที่จริงมันธรรมดามันต้อง สิ่งนั้นจะต้องพัดถ้าหาก อ๋อแม่พี่น้องบุตรหลานของเรา อันใดปิยัตโตยายะเตโตโกปิยัตโตยายะเตก็อย่างใครเกิดจากของรักความโศกเกิดจากๆที่มา ความเดือดร้อนนั้นหายเพราะถือว่าเป็นของเราถ้า นั่นนี่น่ะจิตมันหรอกหลวงของเขากับของเราก็เหมือนกันเกิด แน่นนมนหลอกสมมุติว่าเราก็เขามันหลอกสมมุติว่าตัวตัวนั้นมันหลอกแท้ที่จริงมันไม่ใช่ของใครของเกิดดับเกิดดับอย่าง หาเข้าไปยื่นประติ๊กของต้องบอก ต้องตามมันตามเลขอนมายาของมันชรเท่าใดก็ยังไม่ พะหลาดตัวนั้นเนี่ยอยู่ไกลคิดของมันก็อยู่ไกลอยู่ไกลก็ยิ่งแสนไกลไปห่างเหือนจากเราทั้งน้อยโยธพันโยธอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเฉพาะตัวของ เรารักเราชอบเรายินเจ็บหูเจ็บตาเจ็บแข้งเจ็บขา มันเกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันทั้งเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นหายหมดไม่มีอะไร พิจารณาได้ก็เอาพิจารณาไปเถิดตัวของเราถ้าพิจารณาตัวของเราแล้วไม่ชัดเจนในตัวของเรา ที่อื่นที่อื่นมันก็เป็นธรรมดทั้งอื่น เป็นในอย่างใดอย่างไรมันจะเป็นธรรมดาเอาตรงนั้นน่ะมันชัด มันเป็นแข้งขาอวัยวะทุกชิ้นส่วนนั่นก็เป็นธาตุธาตุทั้งหมดแต่เราไม่เห็นเป็นธาตุเห็นว่าเป็น สมมุติว่า 90 ตัวสมมุติว่าแค้งว่าขาอวัยวะทุกชิ้นส่วนสมมุติไม่เป็นสมมุติเลย เราไปสวมเขาเอาจิตติญญาณนี่เข้า หาก็เห็นชัดตามเป็น